เรานั่งสมาธิด้วยกันกันวันนี้พอเราเห็นไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยหลักการของการนั่งสมาธิมันเป็นเหมือนทางผ่านเพื่อทำยังไงให้เห็นขันห้าหรือรูปนามนี้ให้ได้ถ้าคนมีปัญญา ก็จะเริ่มเห็นว่าการมานั่งรู้ลมเพื่ออาศัยให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจะเริ่มสังเกตเห็นการเกิดดับเพราะขันห้าเกิดดับตลอดเวลา มันน่าแปลกที่เราไม่เห็นทางทางที่มันเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตาถ้าเราเห็นการเกิดดับได้มันจะนําพาไปสู่ความเป็นรูปนามแน่ๆ แ, แล้วถ้าเห็นความเป็นรูปนามจะถอดถอนความเห็นผิด แล้วไม่ใช่คิดเอาหยุดคิดจึงจะรู้ค่อยๆแหวกการปรุงแต่งที่ห่อหุ้มจิตพอเบาบางก็จะเริ่มสว่างขึ้นความตั้งมั่นจะสูงขึ้น ค่อยๆละของปรุงแต่งออกจิตเดิมแท้ก็ถูกความปรุงแต่งบดบังไว้เหมือนเมฆนั่งคิดอยู่นั่นหยุดคิดก็รู้เองที่สงสัยสงสัยจะรู้ให้ได้ก็แค่หยุดสงสัยแค่นั้นก็รู้ สงสัยกับปรุงแต่งปิดไปจนหมดเหมือนคนเป็นเบาหวานวิ่งหายาแก้เบาหวานที่ดีที่สุดในโลกหาชาสารพัดเพื่อจัดการกับเบาหวานก็หยุดกินน้ำตาลเรื่องกระจบ ละเหตุของมันก็จบความคิดปรุงแต่งปิดบังจิตเดิมแท้มวแต่คิดว่าทำยังไงถึงจะจัดการกับความคิดปรุงแต่งก็หยุดไอ้ที่มันกำลังคิดว่าจะคิดว่าทำอะไรนะอพอสมควรกรับ